อฟังทำกันเนาะหลวงพ่อเป็นคนพูดแต่ทั้งหลายเป็นผู้ฟังผูพ้พูดก็แจตจ่จงใจพูดอันที่มันผิดอันที่มันถูกชี้อบอกผู้ทำก็จงเอาไปทำํำในเช่เอาไปคิดไปจําเอา ให้เป็นหลายๆยอย่างตั้งเราได้ฟังทรมจากพุทธเจ้าสดๆมื่อจี้นี่ธรรมป่าหังทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มข็ดีกศรัทธาจากตัวเราเราเชื่อมีความเชื่อมั่น ตามดีก็ต้องดีทำชั่วก็ต้องชั่วเว้นทูนไว้เอาอย่างคนที่ทำถูกต้องอย่าเอาอย่างคนที่ทำผิดเยอะแย ะ, ยะสร้างสถาขึ้นมาแล้วก็มีความเพียรประกอบขึ้นมา แล้วก็มีจิตติประกอบขึ้นมาแล้วก็มีความตั้งใจมั่นประกอบขึ้นมาแล้วมีปัญญาเวียนพลวมผิดเป็นพววมถูกอยู่เรื่อยนี่คือสวนตัวแล้วก็อย่างอีกห ล, หลายอย่างคนดีในโลกนี้หรือภาษาจดาของเราต้องหลายวสโวกที่เราเคยได้ศึกษาประวัติ ของพระสาวกย่างน้อยต้องแปดสิบลูกมีเอตตะคาเลิดเลิดต้ด อ, อตงงานมีอยู่เก่งเก่งเห็นล่องลอยอยู่จริงเราไปประเทศอินเดียไปดูสังเวชนียสถานเห็นล่องลอยท้องหลวงพระสาวกเห็นล่องลอยพระศาจดา เห็นล่องลอยอุบาศกอุบาศิกานีนก็มีอย่างนี้จริงจริงวในโลกนี้อาจจะมีคนก็คิดเราเป็นตัวอย่างเราเคยทำ้างคนดีเราเป็นตัวอย่างก็สำเร็จได้เราจะเคยเป็นลูกกมลาจะใหญ่ กุดเองไม่มีรถแมคโรไม่มีรถแทรกเตอร์สมัยก่อนเอาจอบขุดขับ <c oughs> ดินเลิกโรงเรียนแล้วไปดูลุงกุดจอจนไม่อดไม่อยากยังมีอยู่ทุกวันนี้ลูกหลานได้ใช้ได้กินอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีตัวอย่างอยู่ เรากัคุณพ่อคุณแบบ่เราก็เห็นน่องรอยอยู่รอยมือรอยเท้าเราได้ย้ายโอ้เนี่ยมีเราร่วมขึ้นมาเยอะแยะไม่เกียดก้านไม่ทอดแท้ทำไรลงไปใส่ใจไม่สัดตาเต็มเปลี่ยมอะไรทีเดียวอะไรก็ตาม มันก็สําเร็จได้เราทําความเพียรหรือเราอะไรก็ตามมีจัตตามีเราร่วมเยอะแยะเช่นเราเต้นดนตรีให้มีเราร่วมก็ห่มนวดไหลใจอยู่เสมอมีจิตล่วมมีความเพียรล่วมมีจัตตาร่วมโนต้ตที่เราเป็น จบมาเป็นเสียงเพลงแล้วก็นิ้วมือก็ค่อยเลื่อนไปตามโนต น, นั้นมาอยู่ที่ไหนโนดตอโนนลาโดลซอนซอนมิชนลาอยู่ที่ไหนเอามือคำไปหาทีแรกกว่าจะได้ถูกเสียงนี่ก็ต้องผิดแล้วผิดแล้วแต่ใช้ บ, บ่อยๆมันก็ชำนานขึ้นมา ไม่ว่าเลยเท่าเราหัดนมันก็ชํานาญได้คล่องแคล่วได้ต่อไปเมื่อมันเป็นแล้วก็ไม่ได้ไปคําหามันเดีดไปเองตเองต้นไปเองมือเต้นไปตามเสียงโน้ตที่เราต้องการมีอยู่ในหัวใจเราแล้วจะให้มันเสียงอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีสูตรสําเร็จแล้วแต่เราจะเล่นเสียงสลับกันไป ก็เป็นชาเป็นจินไปเรื่อยๆอยียงเทงที่มาออกจากเครื่องหล่นดีของเราเ น, นี่ยเพราะฉะนั้นความถูกความผิดที่เราได้แก้ที่มาเกิดจากตัวเราเนี่ยงันกลายมาเป็นของถูกต้องทุกท้องที่มันผิดขึ้นมาจํารืองงานขึ้นมาอยากเห็นความทุกข์จะได้เปลี่ยนให้ ม, มนันจบนำหน้ามัน มันก็มีความไปทุกข์อยู่แล้วหยอกเขินความหลงหยอกเขินความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นจะได้เปลี่ยนมันเป็นความภูมใจเกยพูดอยูอ่เส ม, มอว่าทุกข์แต่มันทําให้เรายิ้มๆได้ยิ้มให้ตัวเองนะไม่ใช่ทุกข์เราหน้าบูดหน้าบึ่งนะโกรธพวกนี่ยทำให้เรายิ้มตัวเองยิ้ม ให้ตัวเองคนเดียวไม่มคนเห็นหรอกแต่ว่าเราเยิ่มในหวัวใจเราจะได้เปลี่ยนมันไม่ใช่ไปพลุดออกไปมันมองเข้ามาด้านในถ้าเป็นตาก็กลับมาด้านในไม่ออกไปข้างนอกไป ห, หาโลดฝ่าโลดหลากินหาเสียงนอนไปได้ไปรลดกลับบมาอยู่ด้านในงองกลับมามันก็ได้ประโยชน์ นี่จึงเป็นความยากเพียนขยันทําอะไรลงไปมันก็มีสําเร็จเป็นสิ่งเป็นอย่างไปแล้วก็เกิดความขยันเหมือนเพียนเกิดศรัทธาขึ้นมาและหลายอย่างที่เราได้เอาบาัใชากับการปฏิบัติกับการทําความดีความเพียนเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันเนี่ย มีมิตร ด, ดีมีผู้แวดล้อมดีมีสหายดีเราไมา่ได้เปลี่ยวเดียวดายเพื่อนเราเดินจงกรมเราประกอบความเพียรคนนั่นก็ทำํำคนนี้ก็ทําำคนที่มันจะหนาวก็กลายเป็นความสนุกไปซะเพื่อนก็ทําอยู่คนนั่งก็นั่งอยู่คนเดินก็เดินอยู่ ร้ยอย่างมิตร ด, ดีเพื่อนดีเสือหายดีผู้แวดล้อมดีมีความโกรธก็หายความโกรธเป็นความทุกข์ก็หายความทุกข์มีความเศร้าโศกก็เลยหลอมพันก็หายได้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งพวกเราที่งาเป็นคณะพนา้าเป็นคลอดนังจัดจากนี้มันดีที่สุดเลย บรรลุธรรมพมิดพเพื่อนเยอะยะเลยพระอาหารหันต์ทั้งหลายแม่พระสาริบุตได้บรรลุธรรมเพราะพระเจ้าสอนองค์อื่นโน่นแต่พระสารีบุตรฟังอยู่ก็ได้บรรลุธรรมได้เอามาเป็นการสอนตัวเองเก็บตกเป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์ ยิ่งราท่องความเพียรนก็ทันใจศักดิ์สิทธิ์ร้างสตินี่ยกมือเคลื่อนไหวก็รู้จริงจริงแล้วเวลาบังเคลื่อนไหวของจิตทมัคิดก็รู้จริงจริงวงรู้มันเป็นทวารบาลเฝ้าดูรอบๆ อ, อยู่เห็นจริงจริงเห็นผิดที่มันผิดแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ทุกครัง้ง ไม่ป่วยทิ้งไว้ในกายในใจเพราะว่าเป็นเรื่องกระทําขึ้นมาได้ทำการกระทํากรรมาฐานคือการกระทําที่ตั้งของการกระทําอยู่ <c oughs> มันไม่ฟรีจาได้ปฏิบัติได้เว่าทำมันพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการ ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นธรรมต้องควรเจอผู้ปฏิบัติตอนนี้ผู้ใดเห็นธรรมพู้นันเห็นพุทธเจ้าพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าดีแล้วโอ้พพุทธเจ้าเดินไปทางนี้เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นความาเที่ยงกัว่าไปแล้วพระเจ้าบอกไปแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตน เออมันทุกข์ก็มาใช่ตัวช่ตนรูปก็มาช่ตัวช่ตนเวทนาก็มาช่ตัวช่วตนสัญญาสังขารไม่ยอมมาช่ตัวช่วตนจี่ใดไม่เที่ยงที่นั่นเป็นทุกข์ที่ใดเป็นทุกข์ก็ไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราก็ว่าก็อยู่นี่เอามาเป็นการสอนตัวเอง มันก็ใช้ได้จริงจริงเวทา น, นาที่มันเจ็บขึ้นมาแทนที่เราจะไปล่องควงคางก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนมันก็จะวันเทาวบาบางไอีกป ร, ประมาณครึ่งหนึ่งเ <c oughs> ยียวยาตัวเองเลยตูกตะคับกัด เฉียบรสชาติของมันปวดมันจะเคี้ยไหนเพียงไรมันต้องใส่หยุกใส่ยาวอรู้ว่าตะขาบกัดแล้วก็ในวันพหนึ่งร้อสองรอยกระต o n ก็มาล้างแผลแล้วก็ถึงเวลานอนก็ น, นอนให้มันปวดลองดูเชืเอี๋ยวเราปวดมันไม่ใช่ปวด ตลอดเปลามาเป็นข้างเป็นข้าวตุบตุบตุบวุางทีถ้าเราไม่ลูกก็ร้องโวยโวยว่าเรามันเปลือกมั้งเบ่อที่น้ำไม่ใช่ทวดเบื่อทน้ำไม่เที่ยงเอทนาำไม่เที่ยงแดนที่นั่นจะปวดเอาเรื่องปวดเรื่องเดียวเป็นการร้องเพลงให้ตัวเองฟังเขมันจะกระตุกกระตุกร้องเพลงให้มันฟัง มันเปืดขึ้นเตัวอักษรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวต น, นไม่ออกมาเป็นเรื่องตัวเรื่องตัวเองมหทน า, าคือเหวทนาเง <c oughs> น, นมีได้หัวะตะกรบบังกัดมันมีพิษแล้วก็เหยียวยาได้เวที่จุล เราดปวดร้อยเปอร์เซ็นจะอยู่จะข้าชี้เปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นะไี้แล้วลก็มีอาการอยู่นะมันเป็การคุ้มครองป้องกันตัวจริงๆอะไรที่มันเกิดกับการกับใจเนี่ยทำในใจอันที่มันถูกต้องะเคยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเคยเปลี่ยนอยู่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วภาษาอะไรของเราไม่เคยฝึ ก, กจิตใจของตัวเองเนี่ย เปลนแต่คิดก็เป็นทุกข์หยุดก็ไม่เปลี่ยนเพราะไม่เคยฝึกคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์คิดกันมาน้ําตาไหลคิดกันมานอนไม่หลับคิดกันบาคืนเข้าไว้ลงทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรกัดปวดไม่มีคิดอะไรแค่นี้ก็เปะบากันไปอยู่ในความประมาทต้องมีความแจ่ความเก็บความตายถึงเขาที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะ เจ้าอย่างไงไหนว่าว่าที่วัดทำมีแตทุกแต่ทุกมาเห็นมีทุกตรงไหนมีแต่ของฉุกตาก็เห็นแต่ของดีดีหูก็ได้ยินแต่ของดีดีเปิดเพลงดูหนังอาหารการกินกาหาเอาที่สิ่งที่ชอบก็ไม่อวดไม่อยากนั้นก็มีใช่ ที่อยู่ก็มีดีเพื่อนมิตรก็ดียาติพีน่น้องดีการงานก็ดีไม่เห็นทุกตรงไหนเคยได้ยินเคยไปสอนธรรมที่ชิงคบปูนี่คหญิงคนหนึ่งเขาพูดว่านี่ฉันไม่เคยมีทุกข์เลยนะแล้วทำยังไงเนี่ย งานการก็ดีบ้าแม่ก็ดีเมื่อนอยู่อาศัยก็ดีอาหารการยิงก็ดีทางานก็มีความสุขสะดวกหนาหนาทองก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเป็นทุกข์เลจะให้ปฏิบัติยังไงก็บอกว่าเออนี่ก็อาศัยสิ่งที่มันมีที่มันถูกต้อง มันไม่เที่ยงจริงที่มันมีอยู่เนี่ยอันี้วัตถุอ้ <c oughs> อยออก็อาวัตถุมากำหนดชีวิตตัวเอง ส, สุกเพราะออเฉนิมิตรนิลามิตรสุกสุกอิงเอามิตรอย่างนี้มันไม่กีรังเยิ่งยืนต้องนี่ิลามิตรสุกสุขที่ไมนต้องอิงามิตรต้องเก่าวคุณ ความภาคกับของรักของชอบใจคุณจะเป็นยังไงมีเหมือนกันถึงว่าจะป่วยไม่สมายกายไม่สบายใจคุณจะทำยังไงในเวลาคุณเจ็บขุแย่คนตายคุณจะทำยังไงมันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นความสุขที่มันขีดเช่นในคุณมันมีอีกเยอะแยะความภาคกับของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความคลับงแค้นใจเป็นทุกข์มีอยู่ เราไมีญาติดีมีพี่มีนอ้องดีมีบ้านเรือนดีมีอาหารดีมีเงินไ ม, ม่ทองดีเนาะสิงเหล่านี้จะช่วยคุณได้ไหมคุนเก็บคนเดียวคุณตายคนเดียวเม่อยากตายคุณก็ตา ย, ตา ย, ตายไม่อยากเจ็บคุณก็เจ็บไม่อยากเห็นพี่นอ้องชนรักตายไปคนก็จะเป็นทุกข์แล้วคนไม่เคยพุกหัดจิตให้เห็นสิ่งเหล่านี้รูปมันก็ไม่เที่ยงเบชนะไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงคนเห็นไหม มันไปอยู่เรื่อยชีวิตเนี่ยมันมันหมดไปเรื่อยนะมันเวลาผ่านไปก็เอาชีวิตแเราไปด้วยมันขึ้นล่วงไปล่วงไปบัดนี้คุณทําอะไรไมาใช่เวลามันหมดไปเฉยเฉยมันกืนชีวิตเราไปเรื่อยเวลาผ่านไปเท่าใดชีวิตก็ใกล้ความตายเข้าไปตอนนั้นใคร้ความแจ่ความเจ็บไปเท่านั้ น, ห เ, เ, เ, น, นเหมือนหน่อย เขาจะคาดดึงจูงโคไปชูตระเลงแจงเพื่อประหานโูยื่เก้าไป่นไหลก็ใกล้ความตายไปท่นนั้นชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นไม่ีิังย่งยืนประมาจยังไงที่เรายังมีเมื่อแขงกับแรงแรงมากอยู่เช่นเนี่ยเอามาฝึกขัดตัวเองไว้ให้ดีกว่า เดนตัเด็กสึบตะนุมแล้วลองให้เท่าหัวเจอตทั้งขาเช่นนั่นนะผูเจ็ตจนที่จุดเลยอแล้วก็ชื่อไม่ได้อือเขาก็คิดก็เลยตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ก็มีบางคนก็ต่อลองบางคนเอาเรื่องที่เป็นทุกข์มาลงโทษตัวเองอยู่เสมอ คนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเสือมีา ไ, ไปใหม่ๆแล้วมีลูกสองคนถูกวุบัติเหตุรถชนตายเสือ <c oughs> มีตายเรหมายคิดเดืองเสือมีตายมาปฏิบัติธรรก็หายคิดเรื่องเสือมีตายตรตเราจะเลี้ยงลูกสองคนได้ไหวไหมใจมันไปทุกก็มาปฏิบัติก็ออกไปเป็น มาถามหลงตาหลงตายสามีหนูตายอุบัติเหตุูกรถชนหนูเป็นลูกสองคนลูกหนูจะเลี้ยงลูกไหวไหมเนี่ยมาปฏิบัติอยู่เนี่ยก็จะเลี้ยงลูกให้่มาชคิดแปลงนั้นก็มี <c oughs> เอาเหตุปัจจัยต่างมาลงโทษหมาชคิดอยู่เสมอบางท่านเนี่ยมัน มันก็ตายไปแล้วแต่เราก็ต้องมางอาพฤกษัดให้อยู่ในปัจจุบันมาแช่ออเรื่องอดีตมากําหนดอาอนาคตมากําหนดอยู่ใจของเราให้ปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นอดีตมันจะเป็นอนาคตตั้งต้นในวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ดีๆมันจะมีทางไปเองยิ่งเราเพฤกษากรรมฐานนี่มันมีการกระทํามีที่ตั้ง วันก็แนี่นอนที่สุดหยิบ เ, เอาความรู้จิกตัวแม่มาเกิดแล้วขึ้นมากับลูกเดี๋ยวน้ประโยชน์จากความผิดเป็นความถูกวิถึงลูกสองคนเอามารู้จิกตัวมาเชื่อความคิดมาแก้ไขเรามาฝึกตัวเราเนี่เราเป็นคนดีรัลกลูกคนเราก็เป็นคนดีไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนใจดี จะมีกำลังไม่เจ็บใข้ได้ป่วยมีสติมีปัญญาลักขัวลักเมียก็ต้องเป็นคนดีลักพ่อลักแม่ก็ต้องเป็นคนดีเรามาเป็นคนดีเนี่ยมันจึงจะคือความรักจริงๆรงับผิดชอบจริงๆเมอแต่ไปคิดมันก็แย้อะไรไม่ได้ เอาความคิดมาเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกอยู่ด้วยเอาความคิดมาเป็นเรื่องลงโทษตัวเองเป็นการกัดต่อตัวเงแล้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตเราก็เปเื้อนกับจิงเหานี้แล้ไม่เคยเปลี่ยนมันเอามันข้างอยู่ในกายในใจแล้วก็ติดเรียกว่า จะหลดนิสัยโทสะจะลิลติดข้อนโกตได้โมหะจะลิลติดขวอมหลงราอคะาจริลุกิดรลอคะโทสะโมหะส่วนกตือโลกบบงบากทะเยอทยานอัทั้งที่เราทำอะไรอยู่ไม่ได้กำหนดตัวเองเลยกรต้องมาเริ่มต้น ต้องต้นใหม่อยู่เื่อยชีวิตใหม่ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยผิดแล้วแก้ไขผิดแล้วแก้ไขตั้งต้นใหม่ไม่ใช่ไปเลยชีวิตที่ดีต้องตั้งต้นอยู่เรื่อยตั้งต้นอยู่เรื่อยมันจะได้มีกําลังมีความถูกต้องเป็นชีวิตใหม่นวัชีวันได้ชีวิตใหม่ขึ้นมามีทางไป ตางที่ใจก็มีความถูกรอางที่กายก็มีความถูกต้องเป็นทางไปตัางนําพาหรือว่าทำนําพาไปปติปัญญานําพาไปรติเป็นเจ้าของกายเป็นแก้วของจิตใจสติเป็นิ่งที่ครุ่งของกายครุ่ของใจดูแลกายดูแ ล, แลจักใจให้ แต่คุ้มดีไม่ใช่ไปมั่วให้อดเดอนอ้อนวอนบาดธนาอาเจยพึ่งอันเดิ น, ออ น, น, น, น, เดนไม่ใช่เลยดูแลกายดูแลใจให้มันคุ้งอย่าปล่อยใจไปทำบาปทำกรรมด้วยความคิดความคิดนี่เป็นกรรมเป็นจมเลยหมาเลขกหนึ่งแหละทำไมาจึงคิดเพราะมันหลงทำไมจึงหลงเพราะไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่ฝึกสติ ประกายเป็นอารมณ์ซะในจิตใจนันก็มีอารมณ์มายึดเอาอารมณ์ไม่ใช่จิตเป็นนาการที่มันเกิดขึ้นมาหรือว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้มันคิดเป็นแต่ความคิดนี่แหละจะมีประโยชน์ก็เราคิดเป็นคิดถูกคิดชอบความตั้งใจปันชอบเนี่ย สมมติติเนี่ยมันไปเป็นทางเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นพวงไปกัะลุ่งกรลุนเฉงเงินแฉงทองก็เห็นที่ินทางไปเรื่อยมองอะไรทะลุตะลวงไปได้มีประโยชน์จริงๆกายของเราใจของเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐจริงๆนี่คุณเมฆค่า ถ้าเราฝึกอย่างนี้ถ้ามันถึงที่จุดเรามาทำได้ยอดเยี่ยมที่จุดแล้วที่เถ่นบุญนั้นคุณปิดามันดาวพให้กุหเกิดมาเป็นธรรมชาตินั่นหนึ่งมีรสในกลามมีรสในรูปในเสียงเนี่ยจนมาตั้งครนจะมาเกิดขคาขึ้นมาเนี่ยาให้ทำเรื่องนี้ ว่าแม่อาจจะทำไม่ได้มาคิดเห็นเรื่องนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะสัตว์โลกเนี่ยไม่สูญพันธุ์เพื่อจะให้มาลู่เรื่องนี้ให้มนุษย์เกิดขึ้นมาเพื่อมาลู่เรื่องนี้เป็นหมอโดดของมนุษย์เคยไปพูดกับแม่ฟังแม่นี่ยให้ลูกเกิดบาคุ้มค่าหรือแม่เอ้ย ให้เฉียกข้านอนนมแล้วลูกชายของแม่เนี่ยว่าแม่ไปปฏิบัติเลยนี่ก็คืออันหนึ่งมีใครบ้างใครพูดให้พ่อให้แม่ฟังบ่าลูกชายของแม่คุ้มค่าเลยน้ำนมแล้วแม่ใคยกําเนิดมาเนี่ยหนูเป็นลูกสาวของแม่หนี่ยคุ้มฆ่าละ แ, แม่มเอ้ย ก็คุ้มานมนมเราที่ให้กำเนิดเกิดหนูหมาเนี่ยก็เห็นคุณค่าก็เราก็เป็นคนดีของพ่อของแม่ไปความรักของพ่อของแม่เ่าแม่ทุกคนเลี้ยงลูกก็ต้องการอยากให้ลูกเป็นคนดี เดาลูกเป็นคนดีก็สุดหัวใจแล้วมีผัวก็อยากได้ผัวเป็นคนดีมีเมียก็อยากได้เมียเป็นคนดีทุกคนก็ต้องการความดีอย่างนี้มาอยู่ที่เดียวกันนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งป๋าใจกันได้นี่เราไม่เพิกเลยใจก็เพิ่งใจไม่ได้ กลมลอยคุ้มดีผู้ผู้แบแบแบบไม่มั่นใจตัวเองจะไปพึ่งอะไรที่ไหนกลมลักการเป็นความเปียดชังอิจฉาเบียดเบียนขินล่ากันได้มมั่นใจและไปอาศัยอะไรชีวิตเหล่านี้เกิดมาเนี่ยเอาห้อยเอาแขนไว้ที่ไหนต้องเป็นอัตตาหิอัตนโนนาโถตนนั่นแลยเป็นแต่พึ่งของตน เีือดตนด้วยตนเองแก้ไขด้วยตนเองมีจัตตินี่มันก็มั่นคงขึ้นมามั่นคงอย่าไม่เต็มมั่นคงบังแกนสอนปฏิบัติได้ให้ผลได้เป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติงอิม่มมันเต็มอิ่มคือบุญเต็มคือบุญ วีมใจเต็มใจไม่มีอะไรบอบช้งแต่ว่างก็ว่างจากความหมายที่เป็นตัวเป็นตนเต็มก็เต็มไปด้วยความดีเต็มไปด้วยการกระทําเป็นสิ่งที่ดีแสดงออกได้กลายก็มาทาดีได้เยอะยๆใจก็มาคิดเรื่องดีได้เยอะแยะวาจากพูดเรื่องดีได้เยอะแยๆมาเป็นอยู่ในโลกเนี่ย กืมดีที่เกิดจากเรามากมายคงไม่ดีเกิดจากเราก็มีมากมายเ <c oughs> ยอมีกองทัพมีตำรวจทห า, หารมีอาวุธเพื่อป้องกันความไม่ดีของคนรวไมจึงเป็นเช่นนั้น มีการมีงานก็เอาตำรวจทหารมารักษาเช่นดีเวลานี้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมือทงทำ่มจึงเป็นอย่าง น, านั้นทุกคนก็มาร่วมกันทำความดีร่วมกันแล้วกันไปเราที่มันเผิดก็อย่าไปทำไม่ใช่เอาระเบียบมาบังคับมันก็บังคับมาอยู่ถ้าไม่เข้าถึงชีวิตจิตใจของตัวใครตัวมันถ้าเรา หนึ่งละเด็ดขาดเป็นเลยจะไม่เอากายเอาใจไปเบียดเบียนไปทําบาปทำำํากรรมมาลายเด็ดขาดจะไม่เอากายเอาใจมัเป็นทําเต่งให้เป็นทุกข์เป็นโทษอะไรเด็ดขาดจะไม่เอากายเอาใจไ ป, ปทำจริงวัตถุให้เป็นทุกข์เป็นโทษ เ, เ, เด็ดขาดเป็นเลยจะมาทำํำความดีความชั่วไม่ทําเด็ดขาดความดีทําเรื่อยไปแต่ใจบริสุทธิ์ จีดเช่นเปียงเนียความช่วงไม่ทำเด็ดขาดความดีทำเลื่อยไปแต่ใจบริสุทธิ์ไม่หวังค่าตอบแทนไม่หวังเรียกร้องอะไรทำหนดที่งไปความดีให้เป็นสมัติของโลกแล้วก็แล้วก็จบเท่านั้นเอ ง, เองชีวิตเราไม่ต้องมีอะไรรัดนิ้วมือเดียวมาทำหน่างนี้ทุกคนคนไทย หกสิบกว่ล่านคนเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันวินาะทีเดียวเลยทีเดียวนี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องมีกองทัพไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีคุกไม่ตารางนะหัดกายหัดใจของไขของมันเนี่ยมีเห็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่นั้นที่เป็นทางจัได้ถูกสันเดีภาพเดี๋ย ว, วแผ่นดินราบมาหน้าของใสคือจิตของคน ชีวิตของคนเป็นคนเดียวกันแผ่นดินคือชีวิตทุกชีวิตเนี่ยเป็นแผ่นดินเทรณนี่อันยิ่งใหญ่เนาะอ๋ะอใสพวกเราต้องหลออเห็นพวกเรามาปฏิบัตินี่เป็นคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยอวอร์จะเป็นที่พึ่งได้โดยทำคว่ามดียิ่งเราเป็นอาชีพที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารสุขเนี่ยคนในโลกก็พึ่งพวกท่าน ก็ก็เป็นเรื่องยากอาชีพเรื่องนี้นะเป็นเรื่องยากคือเรื่องเสียสละช่วยคนเราก็รอดมาได้จากพวกท่านเนี่ยมานั่งอยู่นี่มาพูดอยู่นี่ได้ถ้าไม่มีพวกท่านเราไม่รอดแล้วตายไปแล้วหมดไปแล้วโลกบนุษย เป็นก้อนเนื้อโตเร็วลำคอหายใจไม่ได้ในตับก็มีก้อนเนื้อปวทราบกัะทานเีปัญญารักษาหายมาได้ห้าปีหมอบอกว่าอีกสองปีให้ไม่ได้เจ็ดปีก่อนถึงจะบอกว่าหายจริงๆไปตรวจทุกปีปีละสองครั้งปีนี้ก็จะไปตรวจอีกเดินกุมพา งอนัดไปอีกไปนัด น, นี้ก็เป็นเรื่องที่งานโคกท่านเป็นงานบุญอย่างจริงก็อาศัยขวัญไทยวันนี้ก็สมควรเจรยญเวลานะ้วก็พระพรก็